เนี่ยมาก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องไม่บอกชื่อเรื่องดีกว่าถ้าบอกชื่อเรื่องเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นหยกฟังไปเรื่อยก็แล้วในเฉลยตอนท้ายวันนี้ข้าพเจ้าจะพาพวกท่านไปยังเรือนจําแห่งหนึ่งเรือนจําแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากจนดูเหมือนเป็นนคร น, นครหนึ่งเหมือนไม่ใช่เรือนจำํำข้าพเจ้า ก็ได้พบผู้คุมแล้วผู้คุมก็อธิบายว่านักโทษที่หลืออยู่เรือนจำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษที่ต้องคดีอุชากาตมีโทษที่ต้องประหารชีวิตทั้งนั้นผู้ชาการจึงให้ผู้คุมเนี่ยพาเข้าไเจ้าไปชมดูซึ่งข้าราจ้าก็ชมเดินชมเรื่อยๆก็เห็นแต่ละคนก็ใช้ชีวิตอย่างสรุกสนานประหนึ่งว่า เหมือนไม่ใช่นักโทษเรื่องจากแห่งนี้จะมีอิสระในการใช้ชีวิตนักโทษที่อยู่ที่นี่สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบมีชีวิตอิสระไม่มีไม่มีการคุมขังสามารถทําหากินเองได้ทําไร่ทํานาทําสวนค้าขายสามารถทําได้หมดและที่สําคัญทุกคนไม่รู้ตัวเองเป็นนักโทษข้าเจ้าจึางถามผู้คุมว่าแล้วทุกคนในที่นี้ ไม่รู้เหลอว่าตัวเองอ่ะเป็นนักโทษผู้ควไม่ไม่รู้ถ้าลองถามดูก็ได้บิชายคนหนึ่งทํางานอยู่ใกล้บริเวณนั้นข้าพเจ้าก็ไปถามว่าคุณต้องคดีอะไรมาถึงต้องมารับโทษที่นี่ชายผู้นั้นก็มองหน้าข้าพเจ้าด้วยสายตาที่โกรธเคืองมากแล้วก็ตะคอกใส่คุณไม่ขายามมาจากไหนผมไม่ได้ทำผิดอะไรและที่นี่ก็ไม่ใช่เรือนจํา ข้าพเจ้าถูกตะคอกก็เลยแับสงสยัยเอ๊ะคนที่นี่บ้าหรือเปล่าผู้คุมก็หัวเราะบอกว่าบ้าทั้งหมดแหละแล้วก็พาข้าพเจ้าเดินไปเรื่อยๆข้าพเจ้าก็ถามว่าแล้วผลประโยชน์ที่นักโทษทำในเรือนจนํานี้จะแบ่งกันยังไงผู้คุมก็บอกว่าผลประโยชน์ที่นักโทษหามาได้ด้วยน้าพักตําแรงเนี่ยทางเรือนจําเลยยกให้นักโทษทั้งหมดไม่มีการเก็บเข้าหลวง จนกว่านักโทษผู้นั้นจะโดยประหานชีวิตไปแล้วสมบัติจึงจะตกไปของเรือนจํานักโทษที่นี่จึงขยันทำอาหากินแบบไม่รู้จั ก, จกเหนื่อยแต่ละคนก็มีความสุขดีข้าพเจ้าก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเห็นบางคนก็กําลังล้อมวงดื่มสุราข้าพเจ้าก็ถามว่าเขาฉลองอะไรกันผู้คุมก็บอกว่าเขากําลังฉลอง ส, สมาชิกใหม่ เพราะวันนี้มีตำรวจนำนักโทษมาส่งหลายคนนักโทษนักโทษแต่ละครอบครัวก็อยากได้สมาชิกใหม่มาร่วมเพื่อจะได้ช่วยกับทำงานจึงดีใจฉลองกันใหญ่ข้าพเจ้าก็เดินมาอีกทิท่นีภาพข้างหน้าช่างโตงกว่าเมื่อกี้มากคือมีนักโทษอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจข้าพเจ้าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันผู้คุมก็บอกว่าเมื่อกี้นักโทษ ในสมาชิกของครอบครัวนี้เพิ่งโดนประหารไปคือบีศพนอนตายอยู่ข้าพเจ้าก็ไปเปิดศพดูเห็นคอขาดนักโทษก็รอยฟังว่าเมื่อกี้ชายผู้นี้เมื่อกี้กำลังคุยู่อย่างสรุปสนานอยู่ๆก็มีเพชฌฆาตถือดบอาบอระฟันคอจนขาดกระเด็นแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งที่นี่สามารถฆ่าฆ่ า, าประหารเวลาไหนก็ได้ไม่มีการบอกกล่าว คนข้าพเจ้าเสียใจมากข้าพเจ้าถึงถามผู้คุมว่าทําไมทําไมที่นี่โหดร้ายป่าดเถื่อนไร้ามารู้สุจริตเห็นชีวิตคนเป็นปวกเป็นมดไปได้แล้วแบบนี้นักโทษจะนอนคง น, นอนตาไม่หลับแน่เพราะไม่รู้ว่จะถูกฆ่าเมือ่อไหรผู้คุมก็บอกว่าเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงนักโทษที่นี่นอนหลับสบายเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมละ ล้ไม่มีใครคิดว่าจะโดนฆ่าเขาไาเดินเรื่อยๆก็ เ, เห็นผู้คนก็สุขหนานคงเป็นอย่างที่ผู้คุมบอกไม่มีวิเววเศร้าเลยแล้วก็เดินต่อมาแล้วก็ถามผู้คุมว่าที่นี่มีกฎระเบียบในการควบคุมนักโทษอย่างไรผู้คุมก็บอกว่าที่นี่ไม่มีระเบียบไม่มีการบังคับนักโทษจะทําอะไรก็ได้ มีสละเต็มที่สามารถทำมาหากินได้ตามสบายอา้าวแล้วมีการแจกเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มให้หรือเปล่าไม่มีผูก้กุมบอกที่นี่ทุกคนมีสิทธิ์หาเอาเองไม่จะเป็นต้องแจกใครหาได้มากก็สามารถใช้สรุวกสบาย แต่ก็มีนักโทษบางคนขี้เกียจเบียดเบียนกันเองก็มีคือก็ไปขโมยของหรือช่อโกคนอื่นก็มีอยู่บ้างแล้วถ้ามีวิธีจัดการกับ น, นักโทษเหล่านี้ยังไงผู้ครูบอกไม่มีวิธีเพราะนักโทษที่มาในเรือนจนํานี้แต่ละคนรู้แล้วต้องโทษประหารชีวิตมาค้างคากันเองหรือเบียดเบียนกันเองก็เป็นเรื่องธรรมดาทางเราไม่สนใจอยู่แล้วข้าพเจ้านึก ใ, ในใจโอ้โหช่างโหดร้าย ไม่มีความยุติธรรมแล้วท่านไม่กลัวนักโทษจะแหกแหกคุกหนีเหรอผู้คุมก็พาข้าพเจ้าขึ้นมาบนหอคอยและชี้ให้ดูกำแพงซึ่งอยู่ไกลลิบตากำแพงแห่งนี้มีทั้งสามชั้นมีกำแพงอิฐกระแพงหินกำแพงเหล็กล้อมอยู่รอบห่างช่องละสามสิบเมตรทางเดือนจำเราไม่มีการกลัวนักโทษหนีเราให้อิสระในการหนีด้วย ถ้าอยากจะหนีข้าพเจ้าก็เห็นนักโทษกำลังใช้ฝานฟันกระแพงอิดอยู่แต่มีไม่กี่คนส่วนใหญ่คนไม่สนใจฟันจนเหงื่อ ย, ย้อยจนกว่าจะทะลุกําแพงได้แล้วก็มาถึงกระแพงหินซึ่งมีจำนวนน้อยมากกระแพงอิดยังพอมีอยู่บ้างหลายคนกระแพงหินนี้ชักจะนับคนได้อา้าวแล้วท่านผู้คุม ถ้าไม่กลัวนักโทษจะอาศัยรูที่นักโทษเจาะแล้วมาช่วยกันเจาะกระแพงหินเหรืออ๋อทางเรือนจำเรามีมาตรการให้นักโทษหนีจะหนีได้เฉพาะคนเดียวพอหนีเสร็จเราก็จะปิดกระแพงเหมือนเดิมจึงไม่มีใครสามารถใช้ที่เดียวกันหลุดออกมาได้คือใครทำใครได้เราให้อิสระเต็มที่ซึ่งนักโทษที่จะหนีก็มีน้อยด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะหนีทุกคนเต็มใจจะอยู่ที่นี่ ตายที่นี่เป็นนักโทษประหารของที่นี่แนวทางเราจึงแบบสบายใจแล้วก็ไม่มีการควบคุมอย่างใดอย่างใดถ้านักโทษสาบานหนีไปได้เราก็ไม่ตามจับด้วยแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยของที่นี่เนี่ยมีนักโทษสามารถหนีออกไปได้ไหมผู้คุมก็บอกว่าตาประวัติศาสตร์ของเรือนจาแห่งนี้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนมีนักโทษคนสาคัญสามารถแหกคุกหนีไปได้ หนีไปได้คนเดียวก็ไม่พอแถมยังมาชวนให้คนอื่นหนีไปได้อเป็นจำนวนมากคือเป็นการแหกคุกครั้งใหญ่แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนานๆถึงจะมีแหกคุกได้ละคนหนึ่งก็มีไม่มากเพราะส่วนมากนักโทษจะไปได้ก็แค่กระแพงอิฐกระแบงหินก็พอมีไปได้บ้างแต่เจะมาเสร็จไปไม่ได้ตรงกระแพงเหล็กกระพังเหล็กสูงใหญ่มากซึ่งมีจํานวนน้อยที่สามารถแหกคุกไปได้ แล้วทางเรือนจำเราเนี่ยถ้าใครแหกคุกไปได้เราก็ให้สิทธิพิเศษสามารถเข้าออกเรือนจำเราตามใจชอบและสามารถมาชักนําเพื่อคนแหกคุกได้ด้วยเราให้สิทธิพิเศษเราถือเป็นวีรบุรุษอันนี้เราให้สิทเต็มที่ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นคนที่อยู่กําแพงนักโทษเนี่ยที่คิดจะฟันเอาฝานฟันกําแพงเหล็กนะเห็นมีคนเดียวกําแพงหินก็มีอยู่สองสามคนกําแพงอีกมีเยอะหน่อย นอกนั้นก็ไม่สนใจต่างคนต่างเล่นสุขนานทำงานทำาหากินกันไปแล้วข้าก็ไปเจ้าก็เดินชมเดินจำต่อไปก็มาเห็นคนอยู่เห็นพี่ชายอยู่คนหนึ่งกำลังโฆษณาชักชวนเพื่อใจะให้ผู้คนแหกคุกแล้วก็ชี้โทษบอกถ้าอยู่ที่นี่สักวนันต้องโดนประหารแน่ให้ออกไปข้างนอกดีกว่าอิสระกว่าแต่ไม่มีใครสนใจชายคนนี้เลย บ้างก็คุยกันบ้างก็นั่งหลับบ้างก็ย่อเยอะให้ถากถางชายคนนี้พอชี้โทษแล้วก็ดึงขวานจากถุงขึ้นมาเป็นขวานหินแล้วก็บอกว่าบอกสรรพคุณว่าขวานนี้สามารถเจาะ ก, กําแพงอิดได้ถ้าใครจะเอาก็จะให้ฟรีโดยไม่คิดบูลค่าแล้วก็ดึงขวานขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นขวานเหล็กแล้วก็บอกนักโทษว่ากขานนันนี้เนี่ยสามารถเจาะกําแพงหินได้ เราให้ฟรีเหมือนกันดูเหมือนนักโทษจะไม่มีใครสนใจที่จะรับฝานจากชายคนนี้เลยชายนี้ก็ดึงขวานขึ้นไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งหัวขวานเนี่ยทํำด้วยเพชรแล้วชายคนี้ก็จับเหล็กมาให้ดูแล้วก็ฟันลงไปทีเดียวฉับขาดขาดเลยคือเพชรสามารถตัดเหล็กได้อันนี้ค่ายฟรีเหมือนกันมีใครสนใจบ้างไม่มีใครสนใจเลยชายคนนี้ก็ไม่โกรธนะแล้วก็เดินไปหาหน้าโทษกลุ่มอื่นต่อไป คือชีวิตเรียนจาแห่งนี้จะหาคนหาน้อยนักที่ทจะหลบหนีบางคนก็เห็นว่าอยู่ในนี้สบายดีถ้าจะเปรียบนะขวานขวานหินก็คือคือศีลฝานเหล็กก็คือสมาธิฝานเพชรก็คือปัญญาขวานหินคือศีล น, นี่ก็คือ ควบคุมกายวาจัยเรียบร้อยละชั่วทำดีอันนี้ก็สามารถทะลุ ก, กำแพงอิดได้ส่วนฝานเหล็กก็คือการเจริญการฝึกสมาธิหรือสติซึ่งสามารถเจาะกำแพงกำแพงหินซึ่งไปกิเลสคือความโลภ ความโกรธความหลงได้ส่วนขวานเพชร น, นี่คือปัญญาซึ่งกระแพงกระแพงเหล็กที่ล้อมรอบนี่ก็คืออวิชาอาวิชาเนี่ยขนาดพระพรหมยังไปไม่ได้เลยจะต้องไปอผ้าหารเท่านั้นที่ออกไปได้ก็ต้องอาศัยปัญญาจากไม่จากไม่รู้ต้องทำให้รู้เชื่อนี่มีน้อยมากแต่ถ้าผู้มีความเพียงก็สามารถไปได้เหมือนกันก็เปรียบเสมือนกับว่าพุทวีปีศาจทั้งสี่ที่คิดจะออกจากกองทุก คือคิดจะแหกคุกก็เหมือนพู้เราที่มาอยู่ในที่นี้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องทั่วประหารชีวิตด้วยกันทุกคนใครจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ไม่สนใจนะถือว่าต้องตายหมดอ่ะในเนี้ยต้องตายแน่นอนไม่เป็นพระเป็นโยมทุกคนเกิดมาต้องรับทัวรประหารแล้วแต่บางทีเราก็ไปพิเศษบอกเราไม่ไม่ใช่นักทัวประหารเราไม่ได้ติดคุกคือสมบัติที่เราทําเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปได้เลยแล้วทิ้งไว้ให้กับโลกต่อยรวยขนาดไหน ไม่มีใครเอาสมบัติชิ้นเดียวของโลกนี้ไม่ได้ร่างกายก็ต้องไปของโลกสมบัติก็ไปของโลกโลกนี่เปรียบเหมือนโรงแรมเรามาอาศัยอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่าเช่าก็คือบุญระบาปพอบุญบาปหมดโรงแรมปรล่อยเราออกแล้วไม่ให้อยู่คือเช็คเอาท์อยู่ได้ด้วยบุญบาปจริงๆแต่เพราะสายคนเราเนี่ยไม่รู้พอไม่รู้นี่ก็พออยู่แล้วก็ยึด คิดว่าเราเดี่ยอยู่ได้แบบอยู่ได้นานๆแล้วก็ไม่ยึดนู่นยึดนี่ไปของเรายังมีคนเคยถามองค์ดาลามะว่าท่านรู้สึกแปลกใจอะไรเกี่ยวกับมนุษยชาติองค์ดาลามะท่านก็ตอบว่าท่านรู้สึกแปลกใจที่คนเราเนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็ยอมสูญเสียเงินตาเพื่อรักษาสุขภาพ แล้วก็มีความวิตกกังวลจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันคนก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่ทั้งอนาคตและก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเขาใ ช, ช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่มีวันตายแต่แล้วเขาก็ตายไปโดยเหมือนไม่มีชีวิตอยู่จริงเราสังเกตนะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับฝันไปวูบหนึ่งบางคนเกิดมาเนี่ยปั๊บเดียวแหละสี่สิบปี ห้าสิบปีหกสิบปีชีวิตมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสมัยนี้เขาวิจัยมาแล้วนะว่าไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีถ้าจะอยู่เกินกว่านั้นก็ถือไปดอกเบี้ยก็แล้วกันในที่นี้ก็มีอายุเกินเจสิบห้าอยู่หลายท่านหลวงตา ก, กรมเนี่ยแปดสิบแปดแล้วโยมที่มาฟังธรรมธรรมา น, นี่ก็มีเกินหลายคนไม่พงไม่เพียรเนี่ยก็เกินละเพราถ้าแก่เกินเจ็สิบห้าเนี่ยร่างกายก็สูญโทรมละหูตาก็กว้างคว้าวฟางร่างกายก็ ชักแย่ผมก็งอกหูก็เริ่มหนวกฟันก็เริ่มหมดเดินก็ไม่ค่อยจะไหวซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะาคืนหมดเห ม, เหมือนกับธรรมชาติเรายืนไงแต่แล้วเราก็รับคืนเขาเพราะว่าร่างกายเราเป็นของธรรมชาตินั้นคนเราถ้าหลงยึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะทุกข์มากเพราะเขาไม่ฟังคําของเราเขาก็จะแก่ถ้อย่างเดี๋ยวก็จะเจ็บเราประคับประชาไม่ได้และแต่ยอมรับแล้วทําหน้าที่ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เฉลี่ยคนเราเนี่ย75ปีนะนับเป็นวันนะก็จะมีอายุแค่ 20,7375 วันแต่ว่าถ้าเกิดคนอายุ70เนี่ยจะเหลือเวลาไม่กี่ไม่กี่วันแล้วนะเหลือเวลาแค่ประมาณสักไม่กี่ไม่กี่วันเองนะน้อยมากแล้วถ้า60ปีเนี่ยจะมีอายุประมาณ 5,000 กว่าวันเองซึ่งนับถอยหลังแล้วถือว่าเร็วชีวิตนี่ประมาณไม่ได้เลยอายุ50 60เนี่ย70เนี่ย ต้องเริ่มแล้วเมืาอความแก่เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆอายุของเราเนี่ยก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆราเราต้องทำความดีสร้างบูสร้างปนนเป็นทุนไว้ไม่งั้นแย่แน่เลยเพราะความตายรอเรา้รอเราอยู่อย่างพระพุทธองค์เนี่ยเปรียบเหมือเปรียบคนเราเนี่ยเหมือนม้าสียมพวกม้าชานัยประเภทที่หนึ่งแค่เห็นเงาประตัก ก็รู้สํานึกตนทันทีต้องรีบบริการเจ้าของคือหวาดกลัวแค่เห็นเงานะมาเพศที่สองถูกประตักสกิดไปที่ขุมขนถึงจะสับนึกตนและยอมทำตามเจ้าของมาเพศที่สามจะต้องถูกประตักแทงไปถึงผิวหนังจึงจะสับนึกตนมาเพจที่ที่ดื้อดอยต้องแทงไปถึงกระดูกถึงจะสับนึกตนถ้าเปลี่ยนบกคนก็เหมือน เหมือนคนเราเนี่ยบางคนพอได้ยินข่าวว่ามีคนตายหรือคนคนเจ็บคนป่วยเรากเกิดความสศดสังเวชคิดว่าสักวันสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นั้นเราต้องรีบทำความเพียรไม่ประมาทในชีวิตอันนี้เปรียบได้กับมาเพยหนึ่งแค่เห็นเงาประตักก็สะ บ, บึกตนบุคคลเพทที่สองต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะเห็นคนตายเห็นคนเจ็บ เห็นคนป่วยด้วยสายตาตัวเองจึงจะทําความเพียรและสํานึกตนว่าเราต้องไม่ประมาทในชีวิตนี้ชีวนี้ประมาทไม่ได้เลยอันนี้ก็เปรียบเทียบได้กับมาประเภทที่สองคือประตัก ส, ส, สกิดถึงขุมขนบุคคลประเภทที่สามต้องญาติพี่น้องพ่อแม่คนรักลู ก, ลกสหรือคนที่ร่วมสายโลภิดกับเราเนี่ยญาติสนิทต่างๆเนี่ยตายหรือเจ็บ เราถึงจะเกิดความสลดสังเวชและเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยอันนี้ก็เปรียบได้กับมาประเภทที่สามคือประทัดแทงเข้าไปถึงหนังส่วนบุคคลประเภทที่สี่อันนี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเองตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บป่วยหรือจวจะตายหรือเกิดทุกเวทนามากคือเห็นทุกข์อันนี้จึงจะสำนึกได้เริ่มรู้สํานึก อันนี้เปรียบได้กับมาเพทที่สี่คือประตักแทงเข้าไปถึงกระดูกซึ่งคนคนที่สํานึกได้นี่ก็คือพระรูจ้าบอกเป็นบุรุษอาชานายแต่ที่ที่ไม่สํานึกก็เยอะนะที่ไม่สํานึกนี้เราจะไม่กล่าวในทีน่นี้ที่ไม่สํานึกก็ใช้ชีวิตอย่างหลงเพลินเปวันหนึ่งเดี๋ยวก็จบละชาตินี้คืออยู่แบบหลงโลกเสพสุขเป็นวันหนึ่ง บางทีโดนกิเลสหลอกใหหางกันตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็มีหรือไม่ก็ทํากรรมชั่วตลอดชีวิตก็มีบุญไม่เตรียมสบียงไว้คนเราไม่อมาศเนี่ยเราต้องทําบุญชุนทานไว้แล้วก็ให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเพราะทุกทุกคนเนี่ยเหมือนเปนักโทษประหารต้องททษไปแล้วใครจะยอมรับไม่ยอมรับต้องตายหมดไม่มีใครรอดแม้แม้แต่ตัวผู้พูดเองนะแต่ว่าเรา อาศัยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะมีทางรอดอยู่บ้างคือเราก็ระหัดปล่อยวางให้เป็นไม่ยึดนู่นยึดเนี้ยเป็นของเราแล้วก็จเจริญสติอยู่เรื่อยแล้วก็ทําความดีอยู่เสมอเอาไว้เป็นทุนเป็นสเสบียงอันนี้ก็ช่วยเราได้อมาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็สมควรกับเวลาสุดท้ายก็คือไม่ให้โยมมาหมายก็แล้วกันพุทธเจ้าบอกไม่ให้ประมาทเพราะทุกคนต้องทัุบประหารอยู่แล้วแต่คนก็หาทางตัวรอดกันเองก็แล้วกันตัวใครตัวมันเรื่องนี้ ท้องก่อนให้ฟังก่อนหนึ่งก่อนปิดท้ายก่อนหัวพ่พุทธาตก่อนพระเทกรัฐสิ่งล่วงล่วงแล้วไปอย่าฝ่าหาที่ยังไม่มาก็จะพึงทะลึงหวังอันวัน ว, นวานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใดเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันในเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่ ง, นงอนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเลย เร่งเร้ายิ่งก้าวไปวันนี้เองเร่งกระทําซึ่งหน้าที่อันความตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้เพราะไม่อาจบอกปัดหรือผัดไวต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาราตีแข็งขยันนั่นแหละผู้พัดเทกรัสอันสั ต, ตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ย ขอความสุขความเจริญธรรจงมีญาติโยมทุกท่าน